โอ้เมื่อนี่แห้งหน่อยเนาะสมาชี้เอสมาชี้หน่อยนุง่งอีกความจริงเนี่ยคนทั้งหลายนี่ยมันมันบหน่อยน่งหรอกมันหลายอยู่ค้นนะแต่ว่าคนดีสิมาสนใจไปปฏิบัติถ้ำถ้ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ ล่งางย่ำกระหลายล่าย่มกรน่อยเออขันบางสมัยผููมีบุญมีบารามีมาเกิดหลายๆนะสมัยนั่นกูมาสนใจปฏิบัติถ้ำกรหลายแนขะันบางสมัยคนมีบุญบ่ค่อยมาเกิดคนมีบุญบารมีว่ามาเกิด หน่อยลงให้นี่ยขุนถมาปภูตปฏิบัติธรรมสนุกสนใจธรรมะธรสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหน่อยลงแต่ว่าตัวศาสนาตัวครรมสังสอนของพระพุทธเจ้าโบได้เสื่อมโบได้ลุยได้ใสดอกยังมีคือเกาบางสมัยคนกับมาหัวซ่าคนก็มาสนใจหลายบางสมัยขุนมาสนใจหน่อยมันเป็นไปกับผูกขุขขนกับสับพสัตย์นี่แหละ บางดูดูการบางสมัยทรรพสัตว์มีบุญนะ่มามาอยู่หลายมาร่วมกันหลายมีครูปฏิบัติธรรมหลายนะะย่แหละสรุปแล้วก็ m m e นบุญบา ร, รมีของแต่ละข้อเหตุที่ทำขึ้นมาบา ร, รมีนี่มันผิดแปลตามข้มหมายมันก็ติแลว่าการสะสม การสะสมคุณงามควมดีหมายความว่าคุณงามค่วมดีเป็นบุญนั่นหละบุญค่วมดีเจ้าของได้สะสมแบบเด็เก็บได้ออมไะะอม่ไหลไปไหนนี่ะขันออมไม่หลก็ไปเบื่อแล้มีหลจังท่านบารมีนี่แหละท่านบารมีหน้อยก็คือจังคู้บวชส อ, อนเหตุทำบุญทำท่านนี่แหละบารมีน้อยขันท่านบารมีหลแต่เสอ่อน อยากเฮ็ดอยากท้ำอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านอย่แหละมีว่าท่านบา ร, รมีหลายขนาดไหนท่านระดับดีใจเบรริกบานใจสุขใจอย่างเงี้ยที่มี่คนฟูเฮ็ดบา ร, รมีในถ้ำบุญท้ำท่านเพิ่มยืดเรื่อยๆหนึ่งท่านบา ร, รมีเพิ่มอยู่นแน่เลยี่ควมดีใจค่วมสะออนข่วมเบิกบานยืดถ้ำบุญกันไล่ขึ้นไลยขึ้นข่วมคือเห็นประโยชน์ ของกันทับุญกันหลายขึ้นชัดเจนถีน่แน่บาลมีขออื่นกันคือกันอัไรล่ะศีลบาลมีมันศีลบาลบรรมีสัจจะบาลมีขันติบาลมีคือกันทีแรกขันติบาลมีผู้ที่มาอดมาทนทนอดทนนางนางมันเก็บแงงเจ็บขาเจ็บก้นเจ็บแอววสาวอยากนาง แม่ประยากแหละปรอยากนางแหละพอสะออนบรยินดีไลยแต่ว่าการเทิดโดนไปโดนมากเขาเนี่ยมันบาลานี่อันนี้มันลายขึ้นพว่มอดทนลายขื่นสะออนในการที่อยากมากมาักฝืนต่อค่วมเมืม่อยค่วมเจ็บค่วมปวดข่วมเมื่อยเลยมักแค่มักอดมักทนมันเดือด น, นี่ยนี่ที่จริงปู่เขาออกกับร่างกายนี่แล้ว ไปขี้แล็ดไปแลนเอู้ยิ่งยิ่งมาเส้นยิ่งออกกำลังกายเลยแลนกลัาม่านโอ้ยเจ็บขิ้งเจ็บเมก่อต้นกระโตเนี่ยนะ่ะอ่คันปูบ่มีบบลมีในการอดการทนกับ ข, ขี่ขานเลยเลี่ยเ้าเลยเพือ่อเดียวแล้วเปิดปัญยังนายปัญยังวันแ่้วคันปูกันยังไปเรื่อยเนี่ยความอดความทนวันนี้แล้ว อยากเฮ็ดใช่ป่ะเนี่ยอยากออกไปแลนออกกำลังอยากไปบายน้ำอยากไปกระโดดเชือกอยากไปเฮ็ดยังได้มันออกกำลังมันเนี่ยนี่แตหละเรียว่าบาลาีซมันหลายคันติบาลมีหลายคืนเป็นที่แล้วบารมีเป็นการถึง <c oughs> ความดีที่สะสมไว้ทั้งแต่ละบุคคลแต่ละจิตแต่ละดวงนี่แหละคนเท่ามันไม่ยุ่งกันเนี่มันปนกันปะปนกั น, กนระหว่างสรรพสัตว์มีบุญบารมีซ์ต่างๆกัน พันเทาพิจารณาจังสี่แล้วกต้องเห็นอกเห็นใจกันโอ้แเราก็ได้สำนั้นเราก็เหตุยังสั่นละห้าลังเทือกับเห็ุแล้วโอยขววงเลยตาซึ่งเป็นตาสร้างทั้งเป็นตาหายเป็นตาดามันพันเท่าจิดถึงเลื่องบัลลังกแล้วมันที่หาอภัยได้โอ้แนนแล้วแล้วก็เราเป็นผู้สำนั้นผู้จักสำนั้นยินดีสำนั่นเงี้ยเท่ากัเออเอาเจ้าก็อยู่เพราเจ้าซะ ไปสี่อนคลายในจิตในใจเท่าเท่ากับสี่โบเดือดร้อนทันจิตใจเท่าบริสุทธิ์ไปถึงที่สุดธแล้วนะั่นแหะทุกสิ่งทุกอย่างเนะ่ยมันถูกตองเมิดมันสมมาพรภาค่วนเมืนะ่อไงล่ะบ่มีผู้ใดเป็นตาสร้างบ่มีผู้ใดเป็นตาหัดบ่เป็นตาใจห่ายบ่มเป็นตาเฉียดยังดอกอาลังคนดยิ้มยังมันจังเบาบุญจักฟัง้งแค้ โอ้มันปัญญามันน้อยมันกระไดชำนั่นนี่มันจิมจตมันหูจักกันนึกก็เลยให้อภัยคือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอืมปัญหาคิดเรื่องบา ร, รมีเราพ้นทั้งหลายซาททั้งหลายในโลกนี้บ้องขว่ยเหตุจิตอะบกคิดหรอกนันคือเขาได้ชำนั่นเขาหูชำนั่นเมื่อกี้ได้ชำนั่นสียออกมาซา้ำหูบ่ได แต่ว่าข้างเข้าเนใี่ยใครย่ามเฮ็ดดีที่สุดดีเอาเข้านั่นละวัดกั้คลองนะมือวานดีซัมหนี่มือนี่ต้องเอาดีกวกเก่าจังสินะ่ะเ่าต้องเอาไปแทกไปวัดกับผู้อืน่นอาังคนจะไปหาผูบาอาจารย์เห็นผูบาอาจารย์ภาวนาดีปฏิบดดัติดีนิสัอเสียงเนี่ไปแนละเฮ็ดยังไดแต่ต้องแจกใหนะนะ้ได้คือเพลินนะไปเลยในี่สุดไปแล้วก็มันกบใดคือเพลิน ทนที่ไปได้อย่งไรเพลินเห็ุมาโดน แ, แลเดี๋ยวเพ็นสะสมมาโดนแดดจะคล้ข อ, ของไปไปเห็นบจึ๊บกับที่ไปเอาขือโลดม้อยมันก็ไม่ได้คิดใจก็ล่าทอ ย, ยนี่แบบทอยโมมีรักมีเกลียดอยงี่เฮ้าบรต้องเอาซ้ำไผ่รอกไผก็เอาซ้ำไผนั่นแหละแต่ว่าเฮ้าเอาซ้ำเฮาเฮ้ามีความประสงดีอยู่กัเอาซ้ำเฮ้าที่ประสงดีนี่แหะ แต่ว่าให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอนะบรมเณว่าเอาสา ม, มีพ่อแล้วยังสั่นบแมเณรพระพุทธเจ้าว่าท่วมดีต่างๆนั่นที่ยังดีกว่านี้ยังมีอยู่ยีนิช่เพียงเท่านี้เพื่อนวายังสั่นเท่ากับพิจารณาเอานี่ละเป็นมาตรฐานแล้วก็ให้พยายามมองเบิงซึ่งกันและกันนี่ไปเห็นว่าเป็นมิตรกันเพราะว่าอย่งเพราะว่ามันเกิดมาแล้วเกิดมาแล้นได้เห็นกันนี่แหะศาสตรนี่แหละ บัว่หมูหมาเตะไก่หอดยุ่งคุณน่ะมันก็เกิดมาในยุคนี้ยุ่งมันมากัดคนนพอมันว่ามันประสงค์ลายดอกมันอยากกินมันหิวคือเท่านี่ยุ่งกินเท่านี่มันเน่ยบอกให้ําเท่าไปกินสัตว์เนี่ยกินสัตว์กินมัดต้นมัดตัวกินทั้งลูกทั้งแม่มันทั้งคอไม่เหมือนเนี่ยุ่งมันกินเลือดนิดเดียวเ่านั้นเท่านี่มาเอ้ยยุ่งเนี่เป็นตาขามันมันมากัดเท่ากว่า พื่อนินมันบ่ได้คุดทำลายเขาดอกมันอยากกินชื้อแหอ่แต่คุดจริงๆนะมีเหตุมีผลจริงล้วมันก็จะให้แน่ดอกบรใจใหายัปนไงแตอยี่น้ำกันโดยสันติคืน